ส่วนประกอบสำคัญที่พึงสังเกตอีกอย่างหนึ่งภายในหลักทั่วไปแห่งการปฏิบัตินั้นซึ่งช่วยให้เห็นลักษณะพิเศษของวิปัสนาที่แตกต่างจากสมถะชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการเป็นองค์ธรรมที่จะช่วยให้เกิดปัญญาจึงมีความสำคัญมากสำหรับวิปัสนา ส่วนในฝ่ายสมถะโยนิโสมณสิการแม้จะช่วยเกื้อกูลได้ในหลายกรณีแต่มีความจำเป็นน้อยลงบางครั้งอาจไม่ต้องใช้เลยหรือเพียงมณสิการเฉยๆก็เพียงพอขยายความว่าในการเจริญสมถะสาระสำคัญมีเพียงให้ใช้สติกำกับจิตไว้กับอารมณ์ หรือคอยนึกถึงอารมณ์นั้นไว้และเพ่งความสนใจไปที่อารมณ์ให้จิตอยู่กับอารมณ์นั้นจนแน่วแน่ในกรณีเช่นนี้ถ้าผลเกิดขึ้นตามขั้นตอนก็ไม่ต้องใช้โยนิโสมนาสิกาเลยแต่ในบางกรณีที่จิตไม่ยอมสนใจอารมณ์นั้นดึงไม่อยู่คอยจะฟุ้งไปหรือในกรรมฐานบางอย่าง ที่ต้องใช้ความคิดพิจารณาบ้างเช่นการเจริญเมตตาเป็นต้นอาจต้องใช้อุบายช่วยนำจิตเข้าสู่เป้าหมายในกรณีเช่นนั้นจึงอาจต้องใช้โยนิโสมนสิการช่วยคือมนสิการโดยอุบายหรือทำในใจโดยแยกขายเรื่อรู้จักเดินความคิดนำจิตไปให้ถูกทางสู่เป้าหมายเช่นรู้จักคิดด้วยอุบายวิธี ที่จะทำให้โทสะระงับและเกิดเมตตาขึ้นมาแทนเป็นต้นแต่จะอย่างไรก็ตามในฝ่ายสมถานี้โยนิโสมนสิการที่อาจต้องใช้ก็เฉพาะประเภทปลุกร้ากุศลธรรมเท่านั้นไม่ต้องใช้โยนิโสมนสิการประเภทปลุกความรู้แจ้งสภาวะส่วนในฝ่ายวิปัสสนา โยนิโสมนาสิการเป็นขั้นตอนสำคัญทีเดียวที่จะให้เกิดปัญญาจึงเป็นองค์ธรรมที่จำเป็นโยนิโสมนาสิการอยู่ต่อเนื่องกับปัญญาเป็นตัวการทำทางให้ปัญญาเดินหรือเปิดขยายช่องให้ปัญญาเจริญงอกงามมีลักษณะและการทำงานใกล้เคียงกับปัญยามากจนมักพูดคลุมกันไปคือพูดถึงอย่างหนึ่ง ก็หมายถึงอีกอย่างหนึ่งด้วยจึงเป็นเหตุให้ผู้ศึกษาแยกไม่เคยออกว่าอะไรเป็นอย่างไหนณที่นี้พึงสังเกตผลในทางปัญญาที่ต่างกันระหว่างศรัทธากับโยนิโสมนัสิการศรัทธาเหมือนขุดร่องที่ตายตัวไว้แล้วสำหรับให้ความคิดเดิน ส่วนโยนิโสมนัสิการทำทางที่เหมาะให้ปัญญาเดินได้ผลในแต่ละครั้งในทางพุทธศาสนาท่านสนับสนุนให้มีศรัทธาชนิดที่เชื่อมต่อกับปัญญาได้คือศรัทธาที่เปิดโอกาสแก่โยนิโสมนัสิการตัวอย่างเปรียบเทียบศรัทธาแบบขุดร่องตายตัว เชื่อว่าอะไรอะไรจะเป็นอย่างไรก็สุดแต่พรมลิขิจบรรดาลความคิดหยุดตันอยู่แค่นั้นส่วนศรัทธาแบบนำไปสู่โยนิโสมนสิการเช่นชาวพุทธแม้จะยังไม่รู้แจ้งประจักษ์แต่มีศรัทธาต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุปัจจัยดังนั้นเมื่อประสบเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ศรัทธาก็ทําให้ใช้โยนิโสมนสิการสืบสาวต่อไปว่าเหตุปัจจัยนั้นคืออะไรอาจกล่าวได้ว่าโยนิโสมนสิการทำงานเชื่อมต่ออยู่ระหว่างสติกับปัญญาเป็นตัวนำทางหรือเดินกระแสความคิดในลักษณะที่จะทําให้ปัญญาได้ทำงานและทำงานได้ผลพูดอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นตัวให้วิธีการแกะปัญญาหรือเป็นอุบายวิธีของการใช้ปัญญาให้ได้ผลแต่ที่นักศึกษามักสับสนก็เพราะว่าในการพูดทั่วไปมักใช้คําว่าโยนิโสมนสิการก็หมายรวมทั้งการเสนออุบายหรือวิธีแห่งการคิดที่เป็นตัวโยนิโสมนสิการเองและการใช้ปัญญาตามแนวทางหรือวิธีการนั้นด้วย หรือเมื่อพูดถึงปัญญาภาคปฏิบัติการสักอย่างหนึ่งเช่นคําว่าธรรมวิจัยก็มักละไว้ให้เข้าใจเองว่าเป็นการใช้ปัญญาเฟ้นธรรมะให้สําเร็จโดยวิธีโยนิโสมนสิการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะพูดให้เห็นเหมือนเป็นลําดับก็จะเป็นดังนี้เมื่อสติระลึกถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องต้องใช้ต้องทำํำ และเอาจิตกำกับไว้ที่สิ่งนั้นแล้วโยนิโสมนสิการก็จับสิ่งนั้นหมุนหันเอียงตะแคงเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งให้ปัญญาพิจารณาจัดการซึ่งเป็นการกาหนดจุดแง่มุมท่าทางและทิศทางให้แก่การทำงานของปัญญาแล้วปัญญาก็ทำงานพิจารณาจัดการไปตามแง่มุมด้านข้างและทิศทางนั้ น, น, น ถ้าโยนิโสมณสิการจัดท่าทำทางให้เหมาะดีปัญญาก็ทำงานได้ผลอุปม า, มาเหมือนคนพายเรือเก็บดอกไม้ใบผักในแม่น้ำไหลมีคลื่นเขาเอาอะไรผูกหรือยึดเหนียวตรึงเรือให้หยุดอยู่กับที่จอดตรงกับตำแหน่งของดอกไม้หรือใบผักนั้นดีแล้วมือหนึ่งจับกิ่งก้านกอหรือกระจุกพืชนั้นรวบขึ้นไป รังออกมาหรือพลิกตะแคงโกงหรืองออย่างใดอย่างหนึ่งสุดแต่จะเหมาะกับเครื่องมือทำงานอีกมือหนึ่งเอาเครื่องมือที่เตรียมไว้เกี่ยวตัดหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้สำเร็จจิตได้ตามความประสงค์สติเปรียบเหมือนเครื่องยึดเรือและคนให้อยู่ตรงที่กับต้นไม้ เรือหรือคนที่หยุดอยู่ตรงที่เปรียบเหมือนจิตมือที่จับกิ่งก้านต้นไม้ให้อยู่ในอาการที่ทำงานได้เหมาะเปรียบเหมือนโยนิโสมนสิการอีกมือหนึ่งที่เอามีดหรือเครื่องมืออื่นทำงานเกี่ยวตัดเปรียบได้กับปัญญาอย่างไรก็ตามในที่ทั่วไป พึงจับเอาง่ายเพียงว่าโยนิโสมนสิการหมายกลุ่มถึงปัญญาคือมนสิการด้วยปัญญานั่นเองอันหนึง่งเมื่อโยนิโสมนสิการกาลังทํางานอยู่สติก็จะยังอยู่ด้วยไม่หลงลอยหลุดไปดังนั้นสติกับโยนิโสมนสิกานจึงเกื้อกูลแก่กันและกัน ในวิปัสสนา